ดีหรือช่วยอย่างไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรและก็จะต้องมีความอดทนอดทนต่อความยินดีอดทนต่อความยินร้าย เพราะว่าแม้ว่าจะมีสติและมีปัญญาดังกล่าวแต่ว่าถ้าหากว่ายังมีความยินดีอยู่พอใจอยู่ในทางที่ผิด ในความเป็นผิดต่างๆก็จะทำให้ไม่บายเบียงทำให้ไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนยังดินดีที่จะตกมาอยู่ข้างล่าง ไม่ต้องการจะดับแต่ต้องการจะก่อทางที่ผิดนั้นอีกอย่างหนึ่งความยินร้ายก็คือความที่กระทบกระทั่งไม่ชอบใจขัดคืน ก็อีกเหมือนกันคือเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะบายเบีย่ยมไม่อยากที่จะอยู่ข้างบนของความโกรธแต่ว่าอยู่กับความโกรธเต้นไปอยู่กับความโกรธ ไม่ต้องการจะดับความโกรธทั้งนี้ก็เพราะว่าสติปัญญาที่พอรู้กันอยู่นั่นจะเรียกว่ายังอ่อนก็ได้โมหะคือความหลง หลงในตัวเราของเราเป็นต้นยังแรงกว่าพอจากนั้นยังมีความหลงอีกอันหนึง่งซึ่งตรงกันข้ามกับสติปัญญาเป็นศัตรูของสติปัญญาและในขณะเดียวกันสติปัญญาก็เป็นศัตรูของโมหะคือความหลง เมื่อยังหลงมากอยู่ก็แปลว่าปัญญาก็อ่อนสติก็อ่อนไม่พอที่จะรักษาตนที่จะพยุงตนให้ปฏิบัติขัดเกลาให้ปฏิบัติใ่เบี่ยง ความชั่วความผิดต่างๆให้ปฏิบัติยกตนขึ้นเหนือความชั่วความผิดต่างๆให้ปฏิบัติดับความชั่วความผิดต่างๆเพราะฉะนั้นบุคคลเป็นอันมากซึ่งก็รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูก แปลว่าก็ยังทำชั่วทำผิดกันอยู่เป็นอันมากเดินไปในทางที่ผิดกันอยู่เป็นอันมากแปลว่าไม่ยอมที่จะมีจิ ต, ตุบตัตวา ม, มันเกิดขึ้นในจิตคือคิดเข้ามาว่าเราจะขัดเกลื่อจิตใจของเรา เราจะขัดเราตัวเราเองจึงไม่มีความคิดที่จะบ่ายเบี่ยงไม่มีความคิดที่จะยกตนให้สูงไม่มีความคิดที่จะดับแต่ว่ากลับมีจิดตุบายคือความคิดที่จะเป็นไปตามอํานาจของกิเลส ที่จะปฏิบัติตามอํานาจของกิเลสความยินดีความยินร้ายรวมทั้งความหลงต่างๆนึอกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าโลภกรดหลงโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะเหล่านี้นั่นเองนึกกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าดันหาคือความริ่นรนทยานอยากต่างๆก็รวมมาอยู่ในกิเลส ที่บังเกิดขึ้นยัวย่วเยาอยู่ในจิตใจนี้เองและก็เพลินอยู่ในกิเลสเหล่านี้ด้วยติดใจอยู่ในกิเลสเหล่านี้ด้วยไม่มีความคิดที่จะขัดเกล้าเมื่อมีความโลภเกิดขึ้น แทนที่จะมาคิดว่าความโลภนี้เป็นกิเลสที่จะต้องขัดเกลว์กลับไปปฏิบัติตามอํานาจของความโลภซึ่งนำให้จิตนี้เกิดเจตนาที่จะผลขวายแสวงหาสิ่งที่ความโลภอยากได้กายวาจาก็ปฏิบัติไปตามความโลภอยากได้ และเมื่อโทสะบังเกิดขึ้นแทนที่จะปฏิบัติขัดเกลาวโทสะในจิตใจก็กลับปฏิบัติไปตามอำนาจของโทสะฉุนเฉียวขัดเคืองแสดงกิริยาอาการต่างๆตลอดจนถึงทำร้ายออกไปคือมุ่งไปทำลายข้างนอก ไม่มุ่งกลับเข้ามาทำลายโตัโทสะเองที่บังเกิดขึ้นในจิตใจและไม่ข้นขวายที่จะอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นเพลินมัวเมาอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส ท, ทั้งปวงเหล่านี้ดังที่เรียกว่ากามคุณอารมณ์ต่างๆเป็นต้น เพราะฉะนั้นความหลงยังมีโอกาสที่จะครอบงมจิตใจอยู่เป็นอันมากเนื้อความหลงนี้เองก็ไม่ยอมบอกตัวเองว่าเป็นความหลงแต่ว่าแสดงตนว่าเป็นภูฉลาดต่างๆเพราะว่าต้องได้จึงจะเรียกว่าเป็นภูฉลาดถ้าไม่ได้ ก็เป็นอันว่าไม่ฉลาดดังนี้เป็นต้นสติปัญญาจริงไม่พอและแม้ว่าจะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิบัติเพื่อขัดเกลวดังกล่าว บางทีก็ปฏิบัติเพื่อเพิ่มกิเลสดังเช่นปฏิบัติในศีลก็ปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นศีลับพัฒปรามาติรูปคำศีลและพลศ ถือเป็นของขลังต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ลาบต่างๆที่ต้องการมาตาดธนาปฏิบัติในสมาธิก็ไม่ใช่เพื่อขัดเกลวเพื่อที่จะได้มีจิตที่มีพลัง เรียกว่ามีอำนาจจิตที่แรงขึ้นและด้วยอาศัยสมาธิรู้นั่นรู้นี่อะไรบ้างก็กลายเป็นรู้เพื่อหลับผลต่างๆและก็มีภูที่ ต้องการลาบผลต่างๆไฝ่หาผู้ที่มีสมาธิแรงๆรู้นั่นรู้นี่มาขอหวยขอเบอร์อะไรกันต่างๆเป็นต้นแล้วท่านที่ใด้สมาธิพอรู้อะไรบ้างก็บอกหวยบอกเบอร์เป็นต้น หรือแม้ว่าเพื่อที่จะอาศัยอำนาจจิตที่เป็นสมาธิอาจจะแสดงฤทธิ์ได้บางอย่างและก็แสดงฤทธิ์ให้คนใดคนหนึ่งนับถือเพื่อลาภผลหรือเพื่ออำนาจต่างๆดังเช่นที่มีแสดงถึงพระเทวทัต ทำสมาธิได้จนถึงฌานก็ได้พลังของสมาธิแสดงฤทธ์บางอย่างได้ก็แสดงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเลื่อมใสแชักน้ำให้พระเจ้าอาชาตตรูทำปิตุาขาดแต่เทวทัตเองก็ต้องการที่จะเป็นผู้ปกครองสง์ ทำไมโลหิตบาตรพระพุทธเจ้าในที่สุดก็เสื่อมหมดเหล่านี้เรียกว่าต้องการอาศัยสมาธินี่เองมาเป็นกำลังในอันที่จะปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงต่างๆเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมะแม้ในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ดีแล้วเป็นสวาสขาตรธรรมแต่ถ้าหากว่าไม่มุ่งที่จะปฏิบัติให้เป็นสันเลขคือขัดเกลอกิเลสแล้วข้อปฏิบัติบางอย่างบางประการก็กลับเป็นอันตราย แทนที่จะเป็นทุกขนขณะด้วยความดับทุกข์กลับเป็นทุกขขสมุทยัยเหตุกอ่อทุกข์เป็นไปตามอำนาจของตันหาไม่เป็นไทยจากอำนาจตันหาเพราะฉะนั้น ท่านจึงมีแสดงศีลที่จะเป็นศีวิสุทธิศีลที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นศีลที่เป็นไทยไม่เป็นธาตของตัณหาศีลที่เป็นธาตุของตัณหานี่แหละเป็นศีลลปัตปรามาณแต่ศีลที่เป็นไทยไม่เป็นธาตของตัณหานี่แหละจึงจะเป็นศีลที่เป็นอริยมรรคหรือเป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นทางที่ถูก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกอย่างจึงต้องประกอบริด้วยสันเลกขธารมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลวมุ่งขัดเกลวกิเลสขัดเกลวบาปอากุศลทุจริตทั้งหลายในภายในนี้เองจึงจะเป็นพุทธศาสนา ถ้าไม่มองขัดเกลารคือขาดสันเลกกับธรรมแล้วธรรมะนั้นๆก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเหมือนอย่างมิชชาสมาธิที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ ซึ่งผู้นับถือพุทธศาสนาควรจะต้องทราบจะปฏิบัติในธรรมะข้อใดก็ตามตั้งตนแต่ศีลขึ้นไปจะต้องมุ่งสันเลขะคือขัดเกลากิเลสขัดเกลากิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงต่างตงตั้งตนแต่ต้องมีจิตตุบติความมาเกิดขึ้นในจิตใจตั้งใจว่าเราจะ หัดเกลากิเลสจะต้องเว้นทางที่ผิดปฏิบัติในทางที่ถูกจะต้องเว้นความเป็นผิดปฏิบัติความเป็นถูกต่างๆและจะต้องปฏิบัติเบี่ยงเลี่ยงหลีกทางที่ผิดสู่ทางที่ถูกเป็นต้นว่า ต้องไม่เดินไปตามทางปานาทิบัติแ ต, activity, แต่ต้องเดินไปตามทางเวรมณีเว้นจากปานาทิบัติจะต้องปฏ uh ิบัติให้อยู่ข้างบนไม่ใช่อยู่ข้างล่างคือไม่ใช่ให้อยู่กับปานอาทิบัติอาทินาทานเป็นต้นแต่ต้องให้อยู่กับเวรมณีเว้นจากปานอาทิบัตย์อาทินาทานเป็นต้น จะต้องปฏิบัติดับคือดับตัณหาดับโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะอาศัยสติปัญญาอาศัยขันติเป็นต้นโดยจะต้องปฏิบัติอบรมธรรมะเหล่านี้ให้มีขึ้นให้มากให้เพียงพอให้เป็นพะละคือกำลัง ที่จะทำให้จิตใจของตนเองนั้นไม่พ่ายแพ้ต่ออานาจของกิเลสแต่เอาชนะให้ได้และความที่เป็นใหญ่เหนือกิเลสดังกล่าวมานี้แหละเป็นตัวยศในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็มีคำสรรเสริญว่าภูมิยศก็คือหมายความว่าเป็นภูมิอิสริยยศยศคือความเป็นใหญ่ใหญ่เหนือกิเลสนี้เอง เป็นตัวยศอันแท้จริงไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสและเมื่อเป็นดังนี้จึงปฏิบัติขัดเกล้าได้และเมื่อปฏิบัติขัดเกล้าได้จะปฏิบัติในธรรมะข้อไหนก็เป็นพุทธศาสนาทางนั้นปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อไในก็ตามก็จะเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสุขต่อไป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 นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพรอรหันต์สมมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสาระตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล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 พระสูตรที่ว่าด้วยสังวรคือระวังป้องกันอาสวะทั้งปวงนำสติปัานในพระสูตรนี้รยพุติจดได้ตรัสไว้เริ่ม ว่าพระองค์ตรัสความสิ้นแห่งอาสวะทั้งหลายแกภูที่รู้อยู่เห็นอยู่พระองค์ไม่ตรัสความสิ้นอาสวะทั้งหลายแกพูที่ไม่รู้ไม่เห็น พระพุทธภาติดเริ่มตนนี้เมื่อพิจารณาก็ยอมจะได้ความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสว่าคูรู้อยู่เห็นอยู่จึงจะสิ้นอาสวะทางหลายได้ แต่ภูมิที่ไม่รู้ไม่เห็นจะสิ้นอาสวะหาได้ไหมดังนี้เมื่อตรัสเริ่มไว้ดังนี้ก็ด้ตรัสขยายความต่อไปว่าข้อที่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่นั้น ก็คือรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอะไรได้ตรัสว่าก็คือรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายที่ควรใส่ไว้ในใจและซึ่งทำทั้งหลายที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจ และได้ตรัสอธิบายต่อไปโดยความว่าธรรมหรือธรรมที่ควรใส่ไว้ในใจนั้นก็คือเมื่อใส่ไว้ในใจแล้วอาสวะทั้งหลาย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 และได้ตรัสไว้ว่าอาสวะทั้งหลายยอมละได้ด้วยทัศนะคือเห็นยอมละได้ด้วยสังวรคือสำรวมป้องกันระวังยอมละได้ ด้วยการซ่องเสพย่อละได้ด้วยการยับยั้งเอาไว้อยู่ย่อละได้ด้วยการเว้นย่อละได้ด้วยการบรรเทาย่อละได้ด้วยการอบรมดังนี้ก่อนที่จะ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 นำดองของเมาส่วนที่เกิดขึ้นแก่จิตใจนั่นก็ได้แก่กิเลสที่ดองจิตสันดานอันนับว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียด พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แบ่งเป็นสามคือกามาสะวะอาสะวะคือกามเขาวาสะวะอาสะวะคือพบอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชา อาสวะคือได้แก่กิเลสดองสันดานคือความใคร่ความปรารถนาที่มีดองอยู่ในจิตสันดานของบุคคล อาสวะอาสวะคือพบก็ได้แก่กิเลสที่ดองจิตสังดานคือความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่ความเป็นเราอันเรียกว่าอัตสมิมาณนะ ความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอันเป็นต้นกําเนิดของอัตตาตัวเราและเมื่อภาวาสวะเป็นตัวเรากามาสวะก็เท่ากับเป็นของเรา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 กรารนี้มาเป็นของเราจะต้องการกรารนี้มาเป็นของเราก็จะต้องมีตัวเราขึ้นมาตัว ก, การมาก็ภาวาสวะนี้เองจะเป็นเครื่องสร้างตัวเราขึ้นมา กามาสะวะเป็นข้อที่หนึ่งภ า, าสะวะเป็นข้อที่สามเป็นข้อที่สองข้อที่สามก็คืออวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้อันได้แก่ความไม่รู้นมมรในสัจจะที่เป็นของจริงของแท้ เป็นต้นว่าความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่อันเป็นความไม่รู้ที่ดองจิตจสันดานอยู่ทั้งสามนี้เรียกว่าอาสะวะเป็นกิเลสที่บังเกิดขึ้น